เราสหายคนคุกลูกศิษย์ทั้งหลายของอาตมานั้นเมื่อครบกำหนดการจองจำแล้วไม่เคยหวนกลับมาเข้าคุกอีกเลย